พอจะได้หลักนะนี่มาทบทวนหลักนะคือสิ่งที่เราผิดพลาดแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาดผิดอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยยังไม่ใช่ผู้ชํานาญในทางที่ถูกเราเคยจินต์กั น, นทางที่ผิดพอผิดแล้วรู้ทันโดยที่เอาประโยคที่ท่านให้ไว้เนี่ยเป็นมาตรฐานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตอนนี้ลืมตัวไม่มีสติรู้สึกว่ารู้ตัวแต่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่รู้กายไม่ใช่รู้ใจมันรู้อะไรว่างๆไม่ใช่ มันต้องมีสติและรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือเห็นมันเกิดดับเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะคือตามความเป็นจริงของมันอย่างนี้แต่ถ้าเห็นแล้วอยากประคองมันอยู่นานๆแสดงว่าเราไม่ได้อยากเห็นตามความเป็นจริงเราอยากเห็นตามความต้องการของเราอยากให้สุขนานๆอยากให้ทุกข์หายไปเร็วๆอย่างี้นะอย่างนี้เรียกว่าไม่ยอมเห็นตามความเป็นจริง มีการแทรกแซงพอ <t> มาอยากเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะมีการแทรกแซยมีการดัดแปลงมีการบังคับด้วยจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตไม่ไหลไปอาการที่จิตไม่ไหลไปเนี่ยคือมันจะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปด้วยจิตไม่ไหล <t> แต่อตรงนี้ยังไม่มีแล้วก็ดูจิตที่มันไหลไปตอนเห็นจิตไ <ir> <bankrupt> ห, หลกลับได้ตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตไม่ไหล มีเสียงกิ๊กอะไรเนี่ยจิตก็ไม่เคลื่อนมีคนผ่านมามีนกบินผ่านมามีรถแล่นผ่านมามีเสียงอะไรจิตไม่เคลื่อนนี่คือจิตตั้งมันแต่เราเคลื่อนก็รู้ทันที่มันเคลื่อนตอนรู้ทันที่มันเคลื่อนได้ตั้งมันเข้าใจหมจิตเป็นกลางคือรับรู้แล้วไม่เสียใจไม่ดีใจไม่อยากได้ไม่ผลักใส แต่เราได้รับรู้แล้วโอ้เม wow. mm. like sure> ื่อไหร่จะได้ได้กินสักทีเมื่อไหร่จะได้ฟังสักทีหรือเมื่อไหร่จะได้เป็นเจ้าของสักทีไม่อยากได้รับรู้แล้วไม่เป็นกลางรับรู้แล้วไม่อยากได้รับรู้แล้วไม่ชอบไม่เป็นกลางจิตที่ไม่เป็นกลางเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอเสมอจิตที่เป็นกลางเนี่ยไม่เคยเกิดหรอกแต่ก็รู้ทันสิ่งที่ไม่เป็นกลางนั่นแหละขณะที่รู้ทันเป็นกลางพอดีเข้าใจไหม ตอนไม่เป็นกลางน่ะค no ือเผลอไปพอรู้ทันได้สติขึ้นมาและได้ความเป็นกลางด้วยเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไปนะรู้ทันความเผลอได้สติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นได้ความตั้งมั่นรู้ความไม่เป็นกลางได้ความเป็นกลางรู้มันรู้ว่ามันทํางานเองได้ปัญญารู้มันเกิดดับเกิดดับได้ปัญญารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงได้ปัญญา นั่นช่องทางได้ปัญญาเนี่ยคือช่องทางที่รับรู้ตามความเป็นจริงเห็นว่ามันมีความจริงเข้ามันนี้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดดับแล้วที่มันไม่เที่ยงเกิดดับเนี่ยมันเป็นไปเองมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอยากจะบังคับเหมือนกันแต่บังคับไม่ได้เอาเอาตามตามที่เราอยากให้มันเป็นเป็นไปไม่ได้มันได้ตามความอยากของเราแป๊บหนึ่งตอนที่เราบังคับเอาไว้หมดแรมครับมันก็เป็นไปตามเหตุของมันอีก